เลยเวลานิดหนึ่งนะว่าอยากจะเอาสูตรอีกเกี่ยวกับทิฏฐิให้ติดฐ่านี่ก็ท่านะลัทธิมิช้าทิฏฐิอีกเหมือนกันติดทสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีสมัยนั้นแลสมณพ ร, ราหมณ์ปริภาชกมากด้วยกันผู้มีลัทธิต่างๆ่างกันมีความเห็นแตกต่างกันมีความพอใจต่างกันชอบใจต่างกันเอาคนชอบคนละอย่างไปด้วยกันนีอะไรจะเกิดขึ้น เอาไปด้วยกันามาอยู่รวมกันเนี่ยนะอาศัยมิจฉาทิฐินิสิทิฐินิสัยที่ต่างกาันอาศัยอยู่ในพระนครสาวัตถีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาัอย่างนี้มีมิจฉาทิฐิอย่างนี้ว่าอัตตาและโลกเที่ยงจนถึงอัตตาและโลกไม่เที่ยงอย่างนี้จริงอย่างอื่นไม่ใช่ ถ้าพิสษุทั้งหลายก็รู้เนื้อความนั้นก็กรา บ, บไปกลับไปกราบทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอัญะเดียรถีปริภาชกเป็นคนตาบอดไม่มีจักษุไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้จักความชีพหายมิใช่ประโยชน์ไม่รู้จักธรรมไม่รู้จักสภาพมิใช่ธรรม เมื่อไม่รู้จักประโยชน์ไม่รู้อะไรปร ะ, ivot, ประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้อะไรที่เป็นไปเพื่อความเสียหายในประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์อย่างยิ่งไม่รู้จักอะไรเป็นกุศลธรรมอะไรไม่ใช่อะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเป็นต้นก็บาดหมางกันทะเลาะกันวิวาทกันพูดจาทิ่มแทงกันและกันด้วยหอกคือวาจาด้วยวาจาเนี่ยนะถามว่าไอ้พูดทิ่มให้คนอื่นเขาเจ็บเนี่ยนะคนพูดได้บุญไหม เว้นแต่หมอผ่าตัดที่ต้องการผ่าตัดรักษาโรคอันนั้นเผื่อจะได้บุญบ้างแต่พูดให้คนอื่นเจ็บใจนานเท่านานเนี่ยไม่ได้บุญอะไรหรอกแล้วก็มัวแต่ทิมกันว่าธรรมะเป็นเช่นนี้ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ธรรมะไม่เป็นเช่นนี้ธรรมะมเป็นเช่นนี้พระองค์ทราบเนื้อความนั้นก็แป่งอุทานว่ามูสัตว์นี้ขวนขวายแล้วในมิจฉาทิฏฐิว่าอัตตาและโลกเราสร้างสรรค์อัน น, นพวกกลุ่มที่หนึ่งก็บอกโอ้ยเรานี่มันสร้างขึ้นทั้งนั้นนะ ที่พวกบอกว่าประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิว่าอัตตาและโลกคนอื่นสร้างให้ตกลงเราสร้างเองหรือผู้อื่นสร้างให้นะโยมก็จะไปกับเขาด้วยเหมือนกันนะเนี่ยสมณะพราหมณ์พวกหนึ่งไม่รู้จริงซึ่งมิจฉาทิฐิเหล่านั้นไม่ได้เห็นมิจฉาทิฐิเหล่านั้นว่าเป็นลูกศอนลูกศรที่มันเสียดแทงเอาไว้ในใจเนี่ย ก็เมื่อผู้พิจารณาเห็นอยู่ซึ่งความเห็นอันวิปริตนั้นว่าเป็นลูกศรผู้มีปัญญาเขาเห็นเลยว่ า, วาไอความคิดตัวนั้นนี่แหละความเห็นตัวนั้นเนี่มันเสียบแทงอยู่ที่จิตใจไอความเห็นว่าเราสร้างก็ย่อมไม่ปรากฏแก่ผู้นั้นความเห็นว่าผู้อื่นสร้างก็ไม่ปรากฏแั่ผู้นั้นเพราะมันเป็นเพียงแต่ความเห็นมันเพียงแต่ความเชื่อมันเพียงแต่ความคิดเอาความเชื่อความเห็นความคิดมันเป็นสาระได้ไหม ความคิดนั้นเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะนะแต่ถ้าผู้ใดดําเนินตามความคิดอ น, นั้นอะไรจะเกิดขึ้นพวกมิจฉาทิฐิเนี่ยมันดําเนินไปตามความคิดตามความเห็นผิดแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าความเห็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยฟันทุกๆความคิดคิดดีคิดชั่วก็ตามเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาความคิดเหล่านั้นเป็นกรรมและ เป็นสาเหตุให้เกิดวิบากต่อไปเนี่ยนะนั้นเขาก็จะมาแยกจำแนกแจกแจงเหล่ามิจฉาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะปกติแล้วหมู่สัตว์นี้ประกอบด้วยม m a n ะพอเกิดมิจฉาทิฐิแล้วมา n a มันจะเพิ่มมีมา n ะเป็นเครื่องร้อยรัดถูกมา n ะเป็นเครื่องผูกพันกระทําความแข่งดีกันในมิจฉาทิฐิพอมีมา n ะลำพองมากเข้าก็ประกวดมิจฉาทิฐิกันว่าใครจะมีมิจฉาทิฐิมากกว่ากัน ควนี้ล่วงพ้นสงสารได้ไหมไม่ก็พากันจมอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นแหละพวกอาหารการก็บอกว่าอัตตาอะไรในหน้าอัตตกะถาบอกว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเปล่งอุทานอันแสดงถึงความเป็นไปล่วงและความไม่เป็นไปล่วงจากสังสาระตามลำดับของผู้ที่เห็นโทษในมิจฉาทิฐิคือใครที่ไม่เห็นโทษในมิจฉาทิฐิก็พ้นสังสารวัฏได้ไหม ไม่ได้เนี่ยนะส่วนผู้ที่เห็นโทษของมิจฉาทิฏฐิเวน้นมิจฉาทิฐิเหล่านั้นให้ห่างไกลพิจารณาสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงให้มันจริงแค่ไหนสังขาร น, นี่มันจริงแค่ไหนเห็นแค่ไหนจริงจะเรียกว่าเห็นจริงและสิ่งที่ว่ามันจริงนี่มันจริงแค่ไหนก็ถ้าหากว่าพิจารณาสังขารสังขารสมุ ท, ทยัยสังขาร น, นิโรสังขาร น, นิโรธาคามินีปฏิปทาทัตแทงตลอดอริยสัจได้นั่นแหละ จึงจะเรียกว่ารู้ความจริงเพราะว่าบางทีบอกไอเห็นตามเป็นจริงเนี่ยบางคนบอกคนที่มีตันหามันก็บอกว่าจริงนะคนที่เป็นมิจฉาทิถฐิก็ว่าจริงมั้นเอาอะไรเป็นเครื่องวัดมาตรฐานว่าตามความเป็นจริงเนี่ย ะ, ะันต้องเอาอริยสัจเป็นเครื่องวัดเนี่ยนะว่าสิ่งนั้นเป็นสัจจะอะไรอะไรเป็นเหตุเกิดความดับอาทาทีนว่าและนิสารณาจะทายถอนสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไร ผู้ยึดถือโดยมิจฉาทิฐิจะไม่เห็นโทษของในสังขารเพราะไม่รู้จักสังขารตามความเป็นจริงสัมมาทิฐิกับมิจฉาทิฐิมันต่างกันอย่างนี้ว่าสัมมาทิฐิจะเห็นโทษของสังขารตามเป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเป็นไปกับชาติชรามรณะโสกาปริเทวะทุกโทมณตและอุปาญาและจำแนกสังขารคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ ก็ปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนักเป็นต้นอันนี้คือสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามก็เป็นมิจฉาทิฐินี่นะมิจฉาทิฐิก็บอกว่าอ า, อาหางการอ า, นะอาหากา ร, ประปสุตายังประชาบอกมูสัตว์นี้ขวนขวายประกอบตามอาหางการว่าเราเนี่ยสร้างเองอัตตาและโลกเราสร้างเองเอนะเราสร้างเองเอาอะไรมาเป็นเรา พ ว, พวกที่สองเขบอกว่าปรังการูประสังหิตาผู้นี้ประกอบปรังการว่าทิศอ่ะนะคนอื่นเนี่ยสร้างเราเช่นใครบ้างสร้างเราอิสระชนผู้เป็นใหญ่พระอิศวนเป็นต้นสร้างเราเอตเทเกนาพันยังสุสมณพราหมณ์อีกพวกหนึ่งเป็นผู้มีปกติเห็นโทษในทิฐิทั้งสองไม่ตามรู้ทิฐิทั้งสอง คือปฏิเสธมิชฉานทิฐิทั้งสองกลุ่มคืออะไรคือเมื่อมีการสร้างได้สัตว์ทั้งหลายก็จะพึงปรารถนาะการสร้างกา ร, รากามเท่านั้นผู้ที่ไม่ปรารถนาะไม่มีถ้ามันสร้างได้จริงทุกคนก็จะสร้างในสิ่งที่ตัวเองพอใจทั้งหมดใช่ไหมใครใครปรารถนาะทุกเพื่อตนและสิ่งที่ไม่ต้องการก็หาไม่เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าไม่เป็นผู้สร้างเองถ้าทุกทุกอย่างสร้างได้เองจริงนะอัตตาสร้างได้จริงเนี่ยนะ ตัวอย่างมันก็เป็นอย่างที่เราต้องการนะจะเนรมิต ท, ทุกอย่างอย่างที่ตัวเองต้องการสภาพแบบที่นั่งฟังธรรมอย่างนี้ไม่มีเด็ดขาดเชื่อเถอะถ้าทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการที่เราขอนะเชื่อเะน้อยนะักจะขอเพื่อจะฟังธรรมเนี่ยนะอาจจะมีบ้างแต่ว่าในบรรดาความคิดที่คําว่าขอในใจเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยอาจจะขอเพื่อฟังธรรมอยู่หน่อยหนึ่งที่เหลือขออย่างอื่นหมดเลยอย่า น, นีทีนี้ขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนอื่นสร้างจริง เช่นอิสระชนเป็นต้นเป็นเหตุเป็นผู้สร้างอิสระชนก็จะสร้างเพื่อตนหรือคนอื่นในสองอย่างนั้นถ้าสร้างเพื่อตนก็จะพึงไม่มีกิจที่ตนจะต้องทําเพราะจะทําให้กิจที่ยังไม่ทําสําเร็จให้สําเร็จลงถ้าหากว่าสร้างเพื่อผู้อื่นก็จะพึงสร้างให้สําเร็จเฉพาะหิตะสุขแก่ชนเหล่านั้นทั้งหมดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และทุกก็จะไม่สําเร็จสรุปว่าถ้าคนอื่นสร้างให้จริงแล้วทาไมจะต้องสร้างโรคมาด้วยล่ะ สร้างความเจ็บป่วยสร้างความเสียหายสร้างอะไรทำไมมันสร้างไม่เสร็จหรื อ, อยังไงหรือว่าคนสร้างเมาอยู่หรือมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเง้นะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทั้งผู้ตัวเองสร้างและคนอื่นสร้างเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นสังขารธรรมใช่ไหม ก็ชนเหล่าใดไม่รู้ตนเองสร้างและผู้อื่นสร้างตามที่กล่าวแล้วก็ย่อมบัญญัติอัตตาและโลกเกิดลอยๆบางพวกนะกลุ่มที่หนึ่งเขาบอกว่าตัวเองสร้างอีกคนหนึ่งบอกว่าคนอื่นสร้างกลุ่มที่สบอกเฮ้ยเกิดลอยๆแต่ผู้มีปัญญาเขาบอกไอ้มิจฉาทิฐิความเห็นจะเห็นว่าตัวเองสร้างก็สรุปว่าจะคิดว่าตัวเองสร้างความคิดตัวนั้นก็เหมือนลูกศรที่มันทิ่มแทงในใจบอกว่าผู้อื่นสร้างความคิดตัวนั้นก็ เป็นลูกสอนทิ่มแทงอยู่ในใจบอกว่ามันเกิดลอยลอยมันก็คือความคิดที่ทิ่มแทงอยู่ในใจตกลงให้เอาไงดีผู้ใดบําเพ็ญวิปัสนาพิจารณาอุปาทานขันห้าโดยไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาผู้นั้นย่อมพิจารณาเห็นวิปริตมิจฉาทิฐิอย่างนี้ละมิจฉาพินิเวสะอย่างทั้งสิน<ม>้นคือลักษณะของมิจฉาทิฐิทุกอย่างเนี่ยนะลักษณะของมิจฉาทุกชนิด มิจฉาทิฐิเนี่ยมันน้อมยังไงรู้ไหมพื้นฐานของมิจฉาทิฐิมันจะน้อมไปเพื่อ ง, งามสุขยั่งยืนและอัตตาในที่สุดของมิจฉาทิฐิมันจะไหลไปสู่วิปรสสนาทั้ง4ประการจะเป็นมิจฉาทิฐิใดก็ตามในที่สุดต้องกลับไปหาวิปัสสนาสีประการซึ่งขัดกับสติปัฏฐานนะขัดจากสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าอาสุภะอานิจจทุกขังและอนัตตานั่นคือของพระพุทธเจ้าแต่ของมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายบอก ในที่สุดงามงามเที่ยงยั่งยืนและอัตตามันผู้ที่พิจารณาก็จะละวิปริตหรือเห็นมิจฉาทิฏฐิและเห็นอุปาทานขันหาด้วยวิปัสสนาว่าไอ้มิจฉาทิฏฐิหรืออุปาทานขันห้านี่แหละสาะโตคือลูกสอนเพราะแล้วมันทิมแทงแล้วก็ถอนยากมิจฉาทิฐินี่ถอนยากเพราะ เมื่อพระโยคีนั้นเห็นอยู่อย่างนี้ไม่ได้มีความคิดว่าเราสร้างโดยส่วนเดียวเท่านั้นในขณะอารยมรรคนั้นเจริญวิปัสนาด้วยวิปัสนาเป็นอุปนิสัยให้อารยมรรคเกิดขึ้นอารยมรรคเกิดขึ้นทายทอนมิจฉาทิฐิได้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ไม่เห็นว่าตัวเองสร้างไม่เห็นว่าผู้อื่นสร้างไม่เห็นว่าเกิดขึ้นลอยๆเห็นแต่ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัย อันนัสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนี้ดับถ้าดับสิ่งนี้ได้สิ่งนั้นก็ดับเห็นแต่ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นโดยอาการที่สิ่งใดก็ตามที่อาศัยการเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนแต่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดที่ไม่เที่ยงสิ้นไปเสื่อมไปโดยมากเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะเป็นที่ตั้งแห่ง โสกาปริเทวะทุกขโทโมานะและอุปายาตเป็นต้นพันบุคคลนั้นจึงปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายเป็นต้นด้วยอันดับคําเพียงเท่านี้เป็นอันแสดงถึงความที่ผู้ปฏิบัติชอบไม่มีมิจฉาทิฐิและมานะโดยประการทั้งปวงด้วยคํานั้นเป็นอันประกาศถึงการก้าวล่วงพ้นสงสารด้วยการบรรลุอรหัตตมรรคใช่ไหมเมื่อปฏิบัติเพื่อเบือหน่ายคลายกําหนัดสลัดออกจาก อุปาทานขันห้าสลัดออกจากมิจฉาทิฐิได้ก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ได้บัทนี้เพื่อจะแสดงว่าผู้ที่ติดอยู่ในมิจฉาทิฐิไม่อาจจะเงยศีระขึ้นจากสังสารวัฏได้บอกว่าปรชาคือหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามอานาจของมิจฉาทิฐิเข้าถึงประกอบตัวเองด้วยมาน ะ, นนะลักษณะประกอบการยึดถือของตนว่า แม้ความคิดของเรานี่งามจริงๆความคิดของเราดีจริงๆวิเศษจริงๆถ้าใครเคยฟังมิจฉาทิฏฐิเขาเถียงกันมันเป็นอย่างนี้จริงๆโอ้หโยความเห็นอันนี้ยอดคิดได้ยังไงเก่งจริงๆเขาชมกันนะตอนหลังพอเข้าใจอีกอย่างหนึ่งบอกโอ้ความคิดตัวนั้นทําไมมันเลวขนาดนั้นเขาบอกกันนี่แหละตอนที่มิจฉาทิฏฐิเกิดเนี่ยนน้อยนักที่จะเห็นว่าความคิดตัวนี้เลวร้ายมากอย่นีย แต่โอ๊ยชื่นชมพันธนายกย่องทำไมเก่งอย่างนี้อะไรเป็นต้นเนนะบทว่ามานะขันธามานะวินิพันธาความว่าตอนนั้นแหลมูสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าผู้มีเครื่องร้อยรัตคือมานะเครื่องผูกพันคือมานะเอีมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันได้รับคําชมบ่อยๆเขามันพองนะ พันมาณนะที่เกิดสืบสืบกันมาก็ร้อยรัดผูกพันในสันดานของตนโดยที่ไม่ยอมสลับมิจฉาทิฏฐิไอ้มิจฉาทิฐินี่เลวร้ายนะถ้าเสริมกับมานะเข้าเนียโอ้โหอย่าไปยุ่งเด็ดขาดเลยะบทว่าทิฐิสุสารัมภกรถาสังสารังนาติวะตะตัตติความว่าสารัมภะว่าด้วยการแข่งดี มีวิโรทกถาว่าด้วยความขัดแย้งในมิจฉาทิฐิของชนเหล่าอื่นโดยการยึดถือมิจฉาทิฐิไอ้ใครเห็นต่างจากเรามันเลวหมดอ่ะนะมันมันทิฐิไม่ดีก็โยกตนข่มท่านว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่ายึดถือแต่ความเห็นของตัวเองอ่ะนะไอ้ตัวความเห็นตัวทิฐินั้นอ่ะเขาไม่รู้ว่าไอ้ความเห็นความยึดถือตัวนั้นแหละเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติเนี่ยนะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชร า, า ม, มรณะเป็นต้น ก็ไม่ล่วงพ้นจากสงสารเพราะอะไรเพราะยังประหารตันหาและอวิชชาไม่ได้อวิชชากับตันหาก็เลยพาตนเนี่ยไปสู่ชาติชรา ม, มรนะพบแล้วพบเล่าก็เลยถือว่านับหนึ่งตลอดเวลานับหนึ่งในสังสารวัตนะเมื่อไรจะจบอ่ะหนึ่งก็ขึ้นต้นด้วยชาติขึ้นต้นด้วยชาติทุกครั้งเริ่มที่ชาติหมดเลยแล้วเมื่อไรจะจบไม่มีเนี่ยจะจบได้อย่างไร มันก็ด้วยกุศลที่เราฟังเนี่ยราขอให้จบพบจบอะไรนะจบมิจฉาทิ่ฐิจบอวิชชาและตัณหาโดยทั่วกันจนพอเน่ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้